เย็นวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสองตรงกับวันที่27ทธันวาคม2549เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งเบื้องต้นก็ได้ทำกิจกรรมผ่านไปแล้วไหว้พระสวดมนต์ร่วมกัน ต่อนี้ไปก็จะได้ฟังสัมโมนิกถาประจำวันพระในคำนี้เพราะนั้นให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจฟังการฟังแต่ละครั้งถ้าว่าเราฟังด้วยดียอมได้รับความรู้ เกิดความรู้แต่ละครั้งนําไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราให้ดีขึ้นเหมือนกับเราใจของเราเหมือนกับสนิมในเหล็กอย่างนั้นอ่ะถ้าเราทิ้งไว้ในระยะหนึ่งสนิมมันก็เกิดถ้าเราทิ้งไว้ในนานหรือว่าไปประสบกับสิ่งอื่นที่มันโศ ก, กปรก หรือว่าสิ่งไหนเข้ามามากๆก็ทําให้เหล็กท่อนนั้นเกิดสนิมเกิดขึ้นมาเราก็จะต้องได้ขัดหนักหน่อยแต่ถ้าหาว่าเราขัดอยู่บ่อยๆสนิมถึงจะมันเกิดขึ้นมาเราก็ขัดอยู่เรื่อยก็ทําให้สนิมอยู่ในเหล็กนั้นไม่เกิดขึ้นได้ง่าย ใจของเราถ้าจะเปรียบเทียบกับเหล็กเข้าไปก็ลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าใจของเราไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมไม่ได้รับการดูแลไม่ได้เอาศินและธรรมเข้าไปประคับประคองเข้าไปตรวจสอบเข้าไปพินิษพิจารณาใจของเราก็จะเกล่ไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาในวัฏฏสงสารหาประมาณไม่ได้ ถ้าจริงแค่ว่าหาประมาณไม่ได้นะั่นคืออะไรเพื่อมันมากเกินไปไม่รู้จะเอาอะไรมาประมาณที่ใจดวงนั้นที่มันออกไปนอกลูนอกทางเพราะฉะนั้นจึงว่าหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าเอาหลักธรรมะเข้ามาสกัดหรือเข้ามาพิจารณาเข้ามาไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้วใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเมื่อเราคัด สนิมทุกวันทุกวี่ทุกวันขัดอยู่เรื่อยไม่ให้มันสนิมเกิดผลในสุดสนิมมันก็ไม่เกิดขึ้นมาถ้าว่าพวกเราไม่ได้ขัดมันก็ยังอย่างที่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะปฏิบัติของพวกเราผู้ยังเวียนว่ายยู่ยังเป็นเสขะอยู่ยังเป็นผู้ศึกษาอยู่ ก็จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาและก็อาศัยนำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายว่าใจาใจของเราแต่หามวาพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาต่อไปนานเข้านานเข้ า, น า, นขาจิตใจดวงนั้นก็กิเลสทั้งหลายมันก็จะซึมซับเข้ามาเหมือนกับจอกและแหนอยู่ใน บึงในบ่อนะั่นแหะอยู่ในบึงหอยู่ในหนองน้ําใหญ่นะนะั่นแหะแต่ถ้าเรากวาดออกไปมันก็ขยับขยายออกไปถ้าเราขาดความสนใจมันก็ปิดเข้ามาเรื่อยๆใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าหาว่าพวกเราเอาธรรมะเข้ามาสู่จิตใจกิเลส ท, ทั้งหลายก็ถอยห่างออกไปแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจธรรมะ กิเลสทั้งหลายก็กลุมมลุมมาตุ่มเข้ามาจนมืดมิดปิดตาหลงไหลไฟฝันไปหมดว่าโลกนี้จกกะกวาลอันนีน้เหมือนกับเป็นบ้านอยู่ของตอนเองเป็นอนันตการแต่ที่แท้อีกสักวันหนึ่งเราคิดว่าโลกไปนี้ที่น่าอยู่นั้นจะเป็นขุมนรกในใจของเราแต่ถึงวันนั้นพูดไม่ออกอ่ผ่านไปแล้วตายไปแล้วพูดไม่ออกนะ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วเห็นแล้วท่านจึงนำมาประกาศแก่พวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ทานศีลภาวนาทานเป็นยังไงศีลไปยังไงภาวนาเป็นยังไงการเป็นอยู่สัพสัต ท, ทั้งหลายในโลกทุกหมู่ทุกเหล่าควรทำตัวอย่างไรนะแต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับ ชุมชนและสังคมหรือว่าสถาบันการเป็นอยู่สถาบันคานี้ถ้าพูดไปแล้วสถาบันก็คือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันแต่ละกระทรวงทบวงกรมสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันวัด สถาบันคณะสงฆ์สถาบันครอบครัวสถาบันบุคคลพวกเราจะทําตัวอย่างไรกับสถาบันเหล่านั้นที่พวกเราสังกัดอยู่เมื่อเราเกิดมาในชาติชาติไทยเราก็เคารพคนในชาติกฎหมายในชาติพวกเราก็ควรจะให้ความสําคัญที่บทบัญญัติกันขึ้นมาอย่างไร เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพราะคนส่วนมากเป็นผู้บัญญัติส่งตัวแทนเข้าไปเพื่อให้ไปตั้งกฎหมายเมื่อตั้งกฎหมายออกมาแล้วก็วดีที่สุดพวกเราก็ควรจะให้ความเคารพในกฎเกณฑ์นั้นอันนี้แปลว่าเคารพในกฎเกณฑ์ของคนในชาติที่แต่งตั้งกันขึ้นมาแต่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญก็ใช่อันนี้ก็ว่าชาติ ถ้าว่าทุกคนเคารพกฎหมายบ้านเมืองแล้วประเทศชาติก็จะร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะว่าทุกคนมีกฎมีระเบียบในการเป็นอยู่ศาสนาคือศาสนาก็มีหลายศาสนาในประเทศอันนี้ก็สุดแท้แต่ใครจะใช้ดุลพินิษพิจารณาว่าแต่ละความคิดความเห็นของคนนั้นจะเชื่อถือลักษณะอย่างไง ใช้ปัญญาไตร ต, ตรองเหตุและผลในตัวเองที่ว่าจะนับถือในเมื่อนับถือแล้วก็จงนักพักดีต่อศาสนาไม่ดูถูกเยยดยามในศาสนาตนเองและศาสนาคนอื่นที่เขานับถือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองประเทศชาติมาตั้งแต่ดึกดำบันแต่พวกเรายังไม่เกิดแต่ยุคไหนสมัยไหนอันนี้ก็สืบทอดกันมา หลายร้อยปีอันนี้ก็คือสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้ตนที่มาเจ้าเหี้ยวลงมาอีกท่านดสถาบันแต่และกระทรวงทบวงกรมก็มากมายถึงสิบกว่ากระทรวงและก็บกรมอีกท่านนับเข้าไปแล้วมากมายต่อมาอีกจังหวัดอีกต่อมาอำเภออีกตำบลอีก หมู่บ้านดิอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันแต่ละแห่งสถาบันตำรวจสถาบันทหารสถาบันอายการพิพากษาสถาบันครูบาอาจารย์มีมากมายถ้าจะไล่เข้าไปแล้วที่ว่าชุมชนสังคมคนในชาติของพวกเราสรุปลงมาแล้ว เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายสังกัดยู่ณสถาบันใดให้ซื่อสัตย์ให้สุดจริตต่อสถาบันนั้นอย่าเป็นผู้เอารัดเอาเปรียบสถาบันของตนเองแต่ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามไม่ซื่อสัตย์ไม่สุดจริตต่อสถาบันของตนเองถ้าจะพูดแบบคนทั่วๆไปคือคำพูดสามัญทั่วๆไปก็จะว่าเป็นผู้ทรยศ ต่อสถาบันคำนี้จะรุนแรงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สำหรับคนที่ทำอย่างนั้นก็ไม่น่าจะรุนแรงเพราะว่าเขาไม่มีฮิริคือความละอายไม่มีอตตะปะความเกรงกลัวต่อบาปขนาดสถาบันของตัวเองที่อยู่กินได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่พ่อแม่ถึงลูกถึงหลานก็ยังไม่ซื่อสัตย์ต่อสถาบันของตนเองถ้าจะว่าไป จะไม่จัดว่าทรยศเราจะว่ายังไงก็ไม่น่าจะผิดถ้าผู้ใดเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามเข้าไปแล้วมีแต่ช่วยส่งเสริมช่วยพิจารณาว่าสถาบันของเราจะทำยังไงจึงจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เข้าไปแล้วมีแต่ส่งเสริมไม่เป็นตัวบุ่งตัวนอนไม่เป็นตัวเสนียดจันไร เข้าไปในสถาบันนั้นสถาั น, นั้นก็จะเข้มแข็งจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้แต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายคนในชาติเข้าไปอยู่ในสถาบันใดเป็นตัวบงตัวนอนเป็นตัวกัดแทะเข้าไปกินในสถาบันนั้นสถาบันนั้นก็จะหาความ สงบพร่มเย็นหรือจะหาความเจริญรุ่งเรืองต่อไปภายภาคหน้านียยากตุปัตตุเปะทุลักทุเลผลที่สุดจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็เพราะเหตุไรก็เพราะคนในสถาบันนั้นไม่ซื่อสัตย์ต่อสถาบันของตนเองทั้งที่เราเกิดมาเราได้อยู่ได้กินได้ใช้แต่ตัปัจจัยของสถาบันที่ เขาเลี้ยงมาแล้วพวกเรายังไม่ซื่อสัตย์ต่อสถาบันของตนเองอีกอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องได้คิดอีกเหมือนกันควรจะคิดมากๆเพราะในยุคสมัยนี้มีแต่ผู้ใดเข้าไปแล้วมีแต่แ ส, สวงหาผลประโยชน์ทั้งที่สถาบันนั้นได้เลี้ยง พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของพวกเรามาจนในรับความตลอดลอดฟังแต่เข้าไปแล้วตัวเองไปโสเสวงหาผลประโยชน์ไปคอรับชั้นตรงนั้นไปคอรับชันตรงนี้ทั้งที่คอรับชั้นไปลําเวลาไม่ไปทำการทํางานตามหน้าที่ก็อพอแรงอยู่แล้วยังไปคอรับชั้นเกี่ยวกับการเงินการทองกันอะไรไปอีกตั้งเยอะแยะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกัน เพราะนั้นถ้าคนในชาติไม่ช่วยกันคิดไม่ช่วยกันพิจารณาไม่ช่วยกันพูดประนามคนที่ทาไม่ดีก็ไม่รู้ว่าใครจะมาพูดมาประนามให้แก่พวกเราเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนอยู่ณสถานที่ใดถิ่นใดก็ให้ช่วยกันตักเตือนว่ากล่าวซึ่งกันและกันถ้าว่าพวกเราเป็นผู้ว่ากล่าวซึ่งกันและกันแล้ว ประเทศชาติบ้านเมืองก็จะได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขอย่างสถาบันวัดของเราวัดป่านาคำน้อยแห่งนี้ถ้าว่าพวกเราทุกๆ ท, ท่านมาอยู่มาช่วยกันส่งเสริมมาช่วยกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการกระทาของพวกเรากายว่าจาใจของพวกเราวัดานาคาน้อยของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองไปได้ด้วยคุณธรรมด้วยศีลธรรมด้วยจริยธรรม แต่ทั้งนี้ทางนั้นไม่ใช่มาส่งเสริมผมผมเองผมก็เป็นส่วนหนึ่งจะต้องส่งเสริมสถาบันวัดแห่งนี้ถ้าว่าผมเองไม่ส่งเสริมสถาบันวัดแห่งนี้ผมเองทําปู่ยี่ปู่ยมทําสิ่งที่ไม่ควรจะทําคิดไม่สิ่งที่ไม่ควรจะคิดพูดในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดใครจะมาเกี่ยวข้องกับวัดของเราใครเข้ามาก็ขยาดกลัวไปหมดแล้ววัดของเราจะ เป็นไปได้อย่างไรอันนี้ผมเองผมก็ส่งเสริมพยายามส่งเสริมสถาบันศาสนาพุทธศาสนาสถาบันวัดของเราจะทำยังไงวัดของเราจึงจะปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมิไนไนอย่างที่ผมสอนแล้วสอนอีกบอกกล่าวแล้วบอกกล่าวอีกทั้งเช้าทั้งเย็นบางทีถ้าจะว่าไปเดือนหนึ่งแสดงความคิดเห็นให้แก่หมู่พวกเพื่อนฟัง ไม่รู้ว่ากี่ครั้งตัวกี่หนแล้วก็ให้แนวความคิดลากหลายสำหรับให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดได้พิจารณาไตรตรองตามที่ผมได้พูดได้กล่าววันนั้นวันนี้ก็เช่นเดียวกันอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองส่งเสริมสถาบันที่เราอยู่เราอยู่หน้าสถาบันใดให้ให้จงรักพักดีให้เคารพ สถาบันนั้นทำตัวให้ดีที่สุดอย่าให้สถาบันนั้นหนักหนักอกหนับใจกับตัวของเราแต่ถ้าว่าพวกเราไปอยู่ณนะสถานที่ใดทินใดทำให้สถาบันนั้นหนักไม่รู้จะทำยังไงถึงจะเลี้ยงไว้ก็อย่างนี้ถ้าจะไล่ออกไปก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ททำให้กระอกักกระอวนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะนั้นตัวของเราทุกๆ ท, ท่านให้ดูตัวของเราไม่ใช่ว่าเขามอบความไว้วางใจทางผู้ใหญ่ทั้งเบื้องบนมอบความไว้วางใจมาใ ห, ให้มาคิดอ่านกันแล้วบวกลบคูณหารกันแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์กันแล้วกินกันแล้วอย่างนี้แปลว่าไม่สุดจิตต่อสถาบันเป็นผู้ไม่หวังดีต่อสถาบันเป็นผู้ทรยศ ต่อสถาบันจะหาความเจริญทางในจิตในใจได้ยากผมว่านะถ้าจะว่าแล้วเป็นผู้เนรคุณต่อสถาบันของตนเองคนประเภทนั้นโดยมากคนจีนโบราณเขาถือกันมากคนไทยก็เช่นเดียวกันคนเนรคุณคนไม่เจริญถึงตัวเองว่าเจริญก็เถอะคนนั้นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าไม่เจริญเออไม่เจริ ญ, ไ ม, รญไม่เจริญทางด้านจิตใจของเขาเจริญภายนอกก็เถอะ บุญกุศลของเขายังคุ้มครองอยู่อีกสักวันหนึ่ง เ, เมื่อหมดบุญกุศลในอดีตคุ้มครองแล้วของเขาจะตกอับอดำปีไปหมดเพราะเหตุไรเพราะว่าการกระทำของเขานั้นไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะถ้าจะว่าไปผมพูดวันนี้ก็รู้สึกจะวาบรุนแรงไปแต่ตามไม่จริงทางพวกเราไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้ว ถ้าจะปรับปรุงอย่างที่ผมพูดแล้วประเทศชาติบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นธรรมะที่วะักเทาะกิเลสขัดกิเลสถ้าว่าตามกิเลสให้อยู่ตามกิเลสกิเลสเป็นยังไงส่งเสริมให้กิเลสงอกเงยอ่ะอันนั้นแปลว่าส่งเสริมกิเลสแต่นี้ธรรมะของพระพุทธจเจ้านี่แปลว่าขัดกิเลสขัดเกลากิเลสให้มันหลุดลอยออกจากจิตใจ ให้จิตใจบริสุทธิ์กายวาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ที่พูดทางนี้ทางนั้นทั้งกล่าวมาซื้อสถาบันนั้นถ้าจะว่าไปคือจัดอยู่ในหมวดของศีลศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษใครอยู่ณสถานสถาบันใดกลุ่มใดคณะใดก็ดให้จงรักพักดีต่อสถาบันกลุ่มนั้นคณะนั้นเป็นผู้ซื่อสัตว์สุดจริตเป็นผู้เกื้อกูลหนุน จะทํำยังไงสถาบันของตนเองจึงจะเจริญ ร, ร, ร, ร, รุ่งเรืองขึ้นมาได้ช่วยกันส่งเสริมไม่ใช่ช่วยกันทํำลายไม่ใช่ช่วยกันแย่งกันอยู่แย่งกันกินจนสถาบันอยู่ไม่ได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะไปอยู่ณนะสถานที่ใดถินด่นใดเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าให้ช่วยกันพิจารณาอันดับแรกอยากจะให้ประเทศชาติดี ตัวเองต้องดีก่อนต้องนับหนึ่งจากข้าพเจ้าที่ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะต้องเป็นคนดีคนหนึ่งจะไม่ให้หนักกกหนักใจไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยกับใครๆทั้งหมดข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมอย่างน้อยถ้าเป็นฆราวาสก็ให้มีศีลห้าหรือไม่ก็ให้มีคุณธรรมสําหรับฆราวาสจะให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้ไต่ตรองดูด้วยเหตุด้วยผล สิ่งไหนทําให้ผู้อื่นเสียหายเราจะไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งไหนที่จะทําให้ตนเองเดือดร้อนเราก็จะไม่ทําสิ่งนั้นเราจะอยู่จัดอยู่ในสัมมาชีพเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพในทางที่ชอบตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนอันนี้ก็คืออยู่ในครวัตหรือว่าครวัตธรรมมีหลายๆอย่างพระพุทธองค์พระพุทธ เ, เจ้าสอนครวัตมีมากมายสรุปแล้วก็คือ เรื่องการเป็นยูนพระพุทธองค์แนะเรื่องศีลห้าผู้ที่มีศีลห้าแล้วไปอยู่ณสถานที่ใดถินด่นใดจะร่มเย็นเป็นถูกในกลุ่มนั้นถิ่นนั้นจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายจำรระก็เป็นผู้มีศีลให้มีฮิลคิคือความระอายระอายแก่บาปโอตปาคือความกลัวต่อบาปถ้ามีสองอย่างอยู่ใ น, ใน จ, ใจิตใจที่เราจะคิดจะพูดจะทำอะไร ก็จะออกมาในทางที่ดีแต่ถ้าเอาวาพวกเราดื้อด้านไม่มีเฮลิคือความละอายแก่ใจโอทตะปะความกลัวต่อบาปแล้วการกระทําสิ่งนั้นจะต้องมีที่ลับจะต้องมีที่แจ้งถ้าต่อหน้าคนเห็นเราก็ไม่กล้าทําแต่พอไม่มีใครเห็นเราก็ทําสิ่งนั้นอันนี้แปลว่าคนไม่มีเฮลิคือความละอายไม่มีโอทตะปะคือความกลัวต่อบาปสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกแห่งทุกคนทุกหัวไหลแห่งในเมื่อมีโอกาส เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือตัวกิเลสทั้งนั้นเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าดูใจของเราแล้วใจของเราเป็นศีลเป็นธรรมเนีเป็นอัดเป็นธรรมมีให้ในใจแล้วมีอตตปะคือความกลวัวต่อบาปในใจแล้วไปอยู่ณนะสถานที่ใดถินด่นใดกับบุคคลกลุ่มใดคณะใดมีแต่ได้รับความสงบเยือกเย็นในคนกลุ่มนั้นจะไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นนี่ทั้งหมดนี้ ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่พวกเราได้มาร่วมกันประชุมกันได้ฟังกันในวันนี้ก็ขอให้สำนึกไว้อยู่เสมอว่าข้าพรเจ้าอีกจะเป็นคนดีจะเป็นพระที่ดีจะอยู่ในกรอบของศีลธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคราวตาตยาจมกวรจะอยู่ในกรอบของครวัตธรรมอยู่ในกรอบของศีลธรรมของพระพุทธเจ้า จะซื่อตรงจะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อสถาบันของของเราที่สังกัดอยู่จะช่วยเสริมบำรุงจะรักษาปกป้องสิ่งที่จะหายันที่จะนำที่จะมาสู่สถาบันของเราอันนี้ให้เราคิดไปอยู่เสมอเพราะว่าเราไปอยู่นัถธานที่อันนั้นแปลว่าเป็นผู้ส่งเสริมเป็นผู้รู้คุณ ของสถาบันแต่ถ้าว่าพวกเราทำตรงกันข้ามไปว่าเป็นผู้เนรคุณนะเป็นผู้ทรยศนะแต่ถ้าว่าพวกเราทำด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจอย่างนี้ไปว่าเป็นผู้ส่งเสริมเป็นผู้รู้ประคุณต่อสถาบันนานๆนี่แหละทั้งกล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือศีลสมาธิสมาธิ ที่เคยพูดเคยกล่าวแก่พวกเราท่านทั้งหลายสมาธิคือความตั้งใจมั่นตามไม่จริงสิ่งเหล่านั้นก่อนที่พวกเราจะมองเห็นได้ชัดเจนเนี่ยเราจะไปมองเห็นแบบผ้าผ้าโมโมัคิดมัวเมียด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะด้วยความโลภโกรธหลงนั้นมันก็มองไม่เห็นชัดเหมือนกันถ้ายิ่งมีความโลภในจิตใจอยู่แล้วยิ่งมองสิ่งเหล่านั้นยิ่งมองไม่เห็นก็ไม่เห็นใครเดือดร้อนที่ไหน แต่ที่จริงแล้วมันคนอื่นเขามันพอแรงแต่ถ้าว่าเอาสมาธิทําจิตให้สงบซะกอ่อนนะทําจิตให้เป็นหนึ่งซะกอ่อนจากนั้นก็ไตรตรองเหตุและผลเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงถ้าเขามาทําให้แก่เราอย่างนั้นเราเดือดร้อนไหมเราจะเสียหายไหมถ้าเราไปทําให้แก่เขาอย่างนั้นเขาเดือดร้อนไหมเขาจะเสียหายไหมถ้าสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าจิตใจของเราถอยเข้ามาหาหลักคือสมาธิ เราจะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ชัดเจนสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนควรคิดอีกต่างหากมันคิดขึ้นมาแล้วควรพูดควรทําอย่างไรอันนี้แหละสมาธิถ้าว่าเราฝึกหัดดีแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองสิ่งไหนควรทําควรพูดเพราะนั้นสมาธิจําเป็นสมาธิจะเกิดขึ้นได้ด้วยอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าที่ท่าน ได้ตัดสรู้ธรรมบรมครูของพวกเราในวันเดือนหกเพนพระพุทธองค์กําหนดอะไรกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธองค์สนรเสริญกรรกมาฐานลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอนเนกอ น, นันต์มากทีเดียวเลยท่านจงว่าพระรหันอยู่ด้วยอารมณ์อะไรพระพุทธองค์เขาบอกว่าอยู่ด้วยอารมณ์อาณาปานสติกําหนดลมหายใจเข้าออกอ่ะ พระพุทธเจ้าอยู่ด้วยพระอารมณ์อะไรพุทองค์ก็อยู่ด้วยอารมณ์อนาปนาสติคืออนาปานาสตินี้ถ้าคนตายไม่มีลมถ้ายังมีชีวิตยอยู่ถ้ามีลมถ้ารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกของตนเองอยู่ว่าขณะนี้เราเป็นยังไงลมหายใจเข้าออกในเมื่อรู้ลมหายใจเข้าออกก็รู้จิตนึกคิดว่าเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้มันจะไปด้วยกันเพราะนั้น เมื่อกำหนดลมแล้วก็จะรู้ใจของตอนเองใจของเราคิดอะไรควรคิดหรือไม่ในเรื่องนี้ควรพูดหรือไม่ในเรื่องนี้ควรจะทำออกหรือไม่จะรู้ได้ด้วยนตนเองพราะนั่เสื่องสมาธิคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักต่อมากูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าเวลาหายใจเข้า ควรจะบริกรรมว่าพดหายใจออกบริกรรมว่าโธหายใจเข้าพดหายใจออกโธคนตายไม่มีลมคนยังมีชีวิตยอยู่มีลมเพราะนั้นหายให้ให้มีสติกับลมหายใจเข้าหายใจออกอ่าอย่าไปแต่งลมอย่าไปเปลี่ยนแปลงลมให้ผิดปกติให้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกอย่างไรก็ให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกนั้น ให้รู้ตามความเป็นจริงของลมเข้าออกแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละนาทีเมื่อลมหายใจเข้าออกอย่างไรให้รู้ว่าลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นไม่ควรจะไปแต่งยังไม่ควรจะไปกดไม่ควรจะไปกั้นลมหายใจคือให้เป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติออกไปยังไงเข้ามายังไงก็ให้รู้เท่านั้นเองแต่บางคนบอกว่าสติมันไม่ทันมันไม่รู้ว่ามันมันเข้าเวลาไหน ไม่รู้วันออกเวลาไหนกําหนดไม่รู้ฮะอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะแสดงว่าสติของเรานี่ยยังด้อยยังอ่อนมากเพราะายังไม่เคยเพราะนั้นเราควรจะหายใจแรงๆดูสิเห็นไหมลมหายใจแรงๆถ้าหายใจแรงๆยังไม่เห็นลมก็แสดงว่าคนนั้นแย่มากแล้วงั้นเถอะแแย่เอาจริงๆแต่ว่าหายใจเข้ารู้แหละหายใจเข้าสูดลมเข้าแรงๆ มันกระทบที่ไหนหายใจทางออกแรงแงมันกระทบที่ไหนก็รู้แล้วในเมื่อรู้แล้วพยายามหายใจให้มันผ่อนลงกว่าแรงแรง่ผ่อนลงผ่อนลงจนปกติเมื่อปกติแล้วลมกระทบที่ไหนก็เอาสติจับอยู่ตรงนั้นเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกออกสั้นออกยาวก็มีสติ หรือจะบริกรรมอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าหายใจเข้าพุทธเมื่อลมกระทบเวลาผ่านออกไปก็โถไม่ต้องตามลมเข้าไปแล้วไม่ต้องตามลมออกมาเอาสติจับอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมกระทบเพียงพอขนาดนั้นเพียงพออันนี้หายใจเข้าพุทธโธพุโทโถอันนี้คือวิธีการที่จะปฏิบัติแต่บางคนก็มันยังไม่พอ มันยังจิตยังมีแว๊บพอไปอยู่ยังมีช่องว่างอยู่บางคนก็กําหนดลมหายใจกับพร้อมกับหัวใจเต้นหัวใจเต้นตึกึกเวลาเราอยู่ในที่สงัดเราจะรู้ได้หัวใจอา้ากําหนดสองยอย่างนั้นก็ได้อันนี้ก็สุดแท้แต่เทคนิคของแต่ละท่านแต่ละองค์ที่จะกําหนดอะไรสรุปแล้วก็คือทำจิตให้เป็นหนึ่งไม่ให้จิตมันออกไปข้างนอกทางว่าเราเอาลมหายใจมันยัง ออกไปที่อื่นอยู่ยังมีช่องว่างยังมีที่เล็ดลอดออกไปอยู่บางคนก็บอกว่าเวลานั่งสมาธิเหมือนมีสองความคิดความคิดหนึ่งมันก็อยู่ที่ลมความคิดหนึ่งมันออกไปคิดปัทําไมเป็นอย่างนั้นแสดงว่าจิตใจของเรามันมีอันเดียวเท่านั้นแหละไม่มีสองหรอกแต่ว่ามันขาดสติของเรามันอ่อนยังอ่อนอยู่ถ้าสติของเราเข้มแข็งขึ้นเมื่ อ, อไหร่มันจะเป็นหนึ่งเมื่อนั้น อันนี้มันยังเล็ดลอดออกไปได้อยู่แสดงว่าสติของเรามันยังเซอร์อยู่งั้นเถอะ อ, อยังทื่อยังเซอรอออ์ขนาดวัวออกไปหากินข้างนอกล้วยังหันหลังให้มันอยู่แปลว่าสติของเรายังอ่อนถ้าว่าสติของเราเจอะมันมันคิดเรื่องอะไรอย่างนี้สติของเราเข้มแข็งวัวมันจะกินอะไรมันจะกินหญ้าแล้วมันจะกินหญ้าเส้นไหนเราดูอยู่เราจะรู้ได้โดยตนเอง มีวัวตัวเดียวเท่านะั้นไม่มีบัวสองตัวหรอกอยู่ในใจใจของเราก็เหมือนกันมีใจดวงเดียวเท่านะั้นถ้าสติของเราเข้มแข็งแล้วเราจะรู้ได้ว่าใจของเราคิดเรื่องอะไรอันนี้คือสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตสงบครบนั่งภาวนาจิตเท่าเป็นอุปจาระอั ป, ปนาสมาธินะตามขั้นตอนแต่ไม่จะไม่อธิบายเพราะเคยพูดมาหลายครั้งแล้วเรื่องสมาธิ ตอนนี้แต่มาพูดถึงเรื่องปัญญานะเพราะปัญญาเป็นเรื่องที่กว้างขวางที่จะถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะไดนะ้คือปัญญาปัญญาตัวนี้ใช้ในที่ทุกสถานก่อนที่คนจะรู้เรื่องของสินก่อนที่จะจะรู้เรื่องหรือว่าเห็นคุณค่าของสถาบันก็ต้องปัญญา ปัญญาตัวนี้คล้ายๆว่าครอบจั ก, กรวาลเยอมากมายที่เราจะนํามาใช้ถ้าคนโง่เง่าเต่าตุน่นถ้าคนไม่มีปัญญาไม่ได้สังเกตแล้วจะนําความรู้สติปัญญาความรอบคอบมาใช้การใช้งานนั้นไม่ได้แต่บางครั้งปัญญาของเราสัมปะยุตไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลง นำหน้าปัญญาปัญญานี่ยก็เลยเสียบแหลมไปทางตัวกิเลสกิเลสพาไปกิเลสความโลภพาไปจะโลภยังไงจึงจะได้ของเขาจะใช้ปัญญายังไงจึงจะโลภได้ของเขาจะใช้ปัญญายังไงที่จะโกธรอย่างนี้จะใช้ปัญญ า, างไจงจึงจะลักเขา่าราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลง อันนี้ก็มีปัญญาเหมือนกันใช้ปัญญาเหมือนกันกิเลสแปลว่ากิเลสใช้ปัญญาแต่ถ้าว่าทำใช้ปัญญาไม่เป็นอย่างนั้นปัญญาอาริยมรรคของพระพุทธเจ้าท่านเจ้าต้องรู้ว่าอันไหนเป็นพิษเป็นภัยอันไหนที่จะทําให้จิตใจของเราเดือดร้อนขุ่นมัวเศร้าหมองด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าเอาสติของเราจัดสมาธิของเราจับเข้าไปแล้ว เราจะรู้ได้อันนี้เป็นอริยมรรคหรือว่ า, เ, าเป็นสมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นปัญญาอะไรเป็นปัญญาสัมปยุทธ์ด้วยความโลภใช่ไหมเป็นปัญญาสัมปยุทธ์ด้วยความโกรธใช่ไหมเป็นปัญญาสัมปยุทธ์ด้วยราคะใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิ เราเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานมาตรวจดูเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราด้วยหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านปัญญาคำนี้ถ้าจะว่าไปมันไม่ใช่ดาบสองคมมันดาบหลายคมทีเดียวอยู่ในนั้นปิ้นป้อนได้หลายอย่างแต่เราก็ต้องใช้ ศีล ส, สมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิของพระพุทธเจ้าเขามาควบคุมตัวปัญญาอีกทีหนึ่งปัญญานั้นจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาไม่เป็นพิษเป็นภยัยมีแต่เป็นคุณมหาคุณอย่างที่พระพุทธเจ้าพระหานสาวกที่ท่านได้ตัดสรู้ ร, รมอันนั้นแปลวัจัยของท่านเอาปัญญาซักฟอกกิเลสราคะโทสะโมหะกระท่อออกไปหมดกิเลสราคะโทสะออกกระเด็นออกไปหมดยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์ นี่แหละอันนี้ปัญญาปัญญาคันนี้พิจารณาอะไรพิจารณาถึงตัวผู้รู้คือใจใจของเราเนี่แหละเดี๋ยวนี้มันนึกคิดเรื่องอะไรมันหลงอะไรอันดับแรกท่านว่าหลงกายหลงกายของตัวเองในเมื่อหลงกายว่ากายนี้เป็นของเรากายว่าเป็นของไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายว่ากายเป็นของเรากายเป็นที่รักที่สุดห่วงแหนที่สุดสังวนที่สุดในเมื่อ หลงกายตัวเองก็หลงเสิงที่มาเกี่ยวข้องกับกายปัจจัยสี่เงินคำทรัพสมบัติจดถาพันดาศั ก, กียติยศชื่อเสียงจากนั้นก็หลงคู่หลงคนหลงสามีพัญญาหลงลูกหลงเต้าบริษัทบริวารก็เลยหลงไปหมดเพราะเหตุไรเพราะมันหลงกาย พระพุเจ้าจึงให้พิจารณากายกายนี่ไม่ใช่ของเรานะพุทโองค์วางอีกสักวันหนึ่งกายนี่จะต้องแตกสลายสู่ดินน้ำลมไฟเพราะมันเกิดขึ้นมาด้วยดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟอีกสักวันหนึ่งจะต้องแปลสภาพหรือว่าลงไปสู่สภาพดินน้ำลมไฟนั้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นให้พวกเราใช้ปัญญาพิจารณาจุดนี้พิจารณาถึงกายของเราตั้งแต่หัวจนเท้า ตั้งแต่เช้าจุดหัวพิจารณาดูซิมันมีอะไรอยู่ในกายเนี่พราะพระพุทธเจ้าท่านให้กรรมฐานห้าพวกเราเข้ามาบวชใหม่กรรมฐานห้าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจแปลว่ากรรมฐานตัวนี้ถ้าจะว่าไปพระพุทธเจ้าดูให้ดูกิเลส ต, ตัวราคะพราะราคะตัณหาในการมกิเลส ต, ตัวนี้มันอยู่ในจิตใจของมนุษย์ชาติอย่างเหนียวแน่น เพะนั้นถ้าว่าพวกเราไม่สกัดกิเลสตัวราคาออกจากจิตใจในระดับหนึ่งเราจะมองเห็นคุณธรรมศีลธรรมส่วนอื่นนั้นมันคงยากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ที่โคนต้นโพเนื้อคงเงินเงิเห็นฤทธิ์ของพยามารเหมือนกันนางตันคตันหานาคาอรดีเพราะฉะนั้นพระองค์คงจะเห็นจุดนั้นพอเข้ามาบวชใหม่ท่านจึงให้กรรมฐาน5้าแก่ลูกศิษย์ของท่าน สากะยะบุตรของท่านท่านให้กรรมฐานห้าสรุปแล้วก็คือมอบปืนลูกซองห้านัดให้เหมืันกันเถอะอปืนลูกซองห้านัดให้ให้ยิงมาเลยนะกิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามาไอกิเลสราคะเข้ามาให้ยิงมาเลยเกษาผมของไม่เที่ยงโลมาขนมันจะงามที่ไหนขนหน้าขาเล็บถอดออกมาแล้วมันจะงามที่ไหนทันตาฟันถอดออกจากฟันออกมาแล้ว เป็นที่ซี่แต่มันจะงามที่ไหนตะโจหนังถโลกหนังออกแล้วคนจะหาความงามที่ไหนดูนะดูให้ดีนะนี่แหละกรรมฐานฮกิเลส ต, ตัวราคะเข้ามายิงมันเลยคนเห็นถ้าเราถาโลกหนังออกแล้วเราจะมีความรักเขาได้ยังไงกิเลส ต, ตัวนี้กระเล็นกระจุยกระจายออกหมดจากจิตใจของสากยบุตรลูกของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติ ต, ตามนั้นเพราฉะนั้นพวกเรา พิจารณาดูให้ดีกรรมฐานเนี่ยปัญญาตัวนี้พระพุทธเจ้าให้พิจารณาถึงร่างกายร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายเกษาผมโลมาขนนคะาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนีกรร่กรรมฐานห้าเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่นี่แหละปัญญาปัญญารอบรู้ในกองสังขารปัญญาของพระพุทธเจ้ามีมากมายหลายอย่างอย่างที่ว่า อย่างที่ปรญยาย่เบื้องต้นนะแต่ปัญญาที่แท้จริงนั้นคือเนี่ยปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสในจิตในใจของพวกเราออกจากหลาคะโทสะโมหะเป็นอริยบุคคลเป็นพระอราหันต์ในที่สุดพิจารณาดูซิว่าร่างกายของเรานะ่มันเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวไว้ไหมแต่โดยมากไม่มีใครที่จะพูดถึงกัน นอกจากหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะนำมามาพูดมากล่าวมาตักเตือนแต่พอมาพูดให้ฟังคนทั่วๆไปไม่ฟังและยังดูถูกอีกเพราะกิเลสมันชอบอย่างนั้นกิเลสมันชอบดูถูกคนอื่นแต่พอเข้อจริงๆกิเลสมันหนีไม่ออกเหมือนกันมันต้องจํายอมเหมือนกันมันเป็นอย่างที่พระพุทธเจา้าเพราะพุทธองค์ได้ตรัสได้รู้ไวแล้วเห็นแล้ว พูดตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้บอกว่าจริงทั้งหมดไม่เป็นอย่างอื่นถ้าจะว่าไปแล้วหนึ่งไม่มีสองเลยว่างั้นะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้เพราะนั้นพวกเราให้ศึกษาดูให้ดีแล้วก็ปฏิบัติพยายามคิดตามแนวแถวทิพพระพุทธเจา้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้วพวกเราจะประสบความ สุขความเย็นใจจะปล่อยวางที่ใจนี่แหละเมื่อรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วใจของเรามายึดร่างกายยึดทำไมเพราะร่างกายไม่ใช่เราเอามันจะแตกสลายสู่ดินน้ำลมไฟแล้วใจตัวนึกคิดเนี่ยนะตัวนึกคิดเนี่ยนะใครเป็นตัวนึกเป็นตัวคิดเป็นตัวรู้ ร, รู้อยู่เนี่ยนี่แหละคือว่าเรา เราตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวเราจังเป็นมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนี้อีกอยู่บางทีคิดอย่างนั้นบางทีคิดอย่างนี้บางทีเศร้าหมองบางทีผ่องใสบางทีอารมณ์ดีบางทีอารมณ์ขุน ม, มันอยู่ในจิตในใจเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวอนิจจังเหมือนกันตัวไม่เที่ยงเหมือนกันตัวอนัตตาเหมือนกันในเมื่อพิจารณาถึงจุดนี้พิจารณาเข้ามาถึงตัวรู้ตัวผู้รู้อีกตัวนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ในเมื่อเราปฏิเสธว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราจะเอาอะไรอะไรคือของเราแต่ตาม่จริงไม่ใช่ของเราทั้งหมดสิ่งไหนทนต่อการพิสูจน์เมื่อพิสูจน์ผ่านออกไปแล้วทําลายลงไปแล้วสิ่งที่บริสุทธิ์รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมานั่นแหละความบริสุทธิ์จุดนั้นไม่หลงในเรื่องต่างๆคําคว่า ความหลงไม่มีในจิตใจแล้วมีแต่ความรู้แจ้งเห็นจริงความบริสุทธิ์ตัวนั้นแหละคือเป็นจุดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า จ, จุดประสงค์ของผู้ปฏิบัติธรรมคือหวังทางพ้นทุกข์เมื่อหลุดพ้นรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเหมือนกับน้ำกะทิมะพร้าวออกจากมะพร้าวออกจากกะทิมะพร้าวไม่สามารถที่จะนํามาขยำกับขุยมะพร้าวได้อีก แต่ต่างๆไม่จริงมันก็ออกมาจากกะทิมะพร้าวมาจากขุยมะพร้าวที่คั้นกะทิมะพร้าวออกมาแล้วเอามาต้มแล้วมันลอยออกมาแล้วเป็นน้ํามันแล้วไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ขุยมะพร้าวนั่นอีกเพราะเป็นน้ํามันแล้วอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจเมื่อพิราณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันหลุดออกจาก กิเลสราคาโทสะโมหะเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วไม่สามารถที่จะขยำเข้าไปสู่กิเลสตัวนั้นได้อีกรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจะไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นทำํำไม่รู้ได้ด้วยใจของเราเองเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะวันนี้ได้พูดตั้งแต่เบื้องต้นการเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ จากนั้นได้พูดเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันการเป็นอยู่สังกัดของพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้จงรักภักดีให้เป็นผู้หวังดีให้เป็นผู้เกื้อกูลหนุนสถาบันของตนเองสิ่งไหนที่เป็นจะเป็นหายยนะหนาอย่านำมาคิดจะนำมาใช้อย่านำม า, า, ำม า, า, ำมาทำลายสถาบัน เพราะสถาบันของเราให้ความสุขโครมเย็นเป็นสุขแก่เรามามากต่อมากแล้วเราจะไปทำลายทําลายสถาบันเหล่านั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการเป็นอยู่สินก็อย่างที่กล่าวมาคือการเป็นอยู่กายวาจาคือสินสมาธิคือที่ทำใจให้มั่นคงจะทำยังไงกรรมาฐานพระพุทธเจ้าท่านกาหนดอันไหน กำหนดโลมาหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็คือสมาธิและปัญญาพิจารณาอะไรพระพุทธองค์บอกว่าหลงกายคนเราในหลงกายเมื่อหลงกายแล้วก็หลงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้กรรมฐานแก่ลูกศิษย์เมื่อเข้ามาบวชให้กรรมฐานห้าเกษาโลมานขาทันตาตาโะโยถ้าจะเปรียบเทียบก็คือให้ใหอาวุธลูกกุนห้าเพื่อจะยิงกิเลส ให้แต่กระจุยกระจายออกไปจากใจของเราในเมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราไม่หลงร่างกายของเราแล้วสิ่งทั้งหลายเราก็ไม่หลงในเมื่อไม่หลงกายก็พิจารณาที่ใจของเราพิจารณาถึงใจใจไม่หลงใจใจรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เป็นผู้หมดภาระวางภาระลงเพราะนั้นพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นแนวทางผมมั่นใจว่าผมกล่าวไม่ผิดให้นําไปคิดไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะทางว่าพวกเราปฏิบัติได้ก็ความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านไม่ได้แบ่งสันปันส่วนให้แก่ใครอยู่กับพวกเราทุกคนการพูดการแสดงแนวความคิดเห็นแก่พวกเราท่านทั้งหลายก็ขอยุติเพียงเท่านี้ถ้าต่อนี้ไปนั่งสมาธิณนะที่นี่นะ